ขอเรือได้ขอปัญหาปากคลอกนหซึ่งมีอยู่กับทุกคนันโรคหน้ามีไหมขอเรื่องโรคหน้ากับผู้ไปสู่โรคหน้าโรคหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน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 แล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมความมรื น, นเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจําได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จําได้แล้วไปเทียบเคียมกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้ครั้งหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยถานมาอย่างนี้เป็นลําดับ เราจําได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนถึงตอนบรรทุนนี่เช้าเราก็เคยเคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันก็ยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองเส่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหะ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 มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจับจับสาเหยุ่เพ า, ามันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จําไม่ได้ในเรื่องของตัวเล่หมุนตัวเองไม่ทราบจะไปทางไหนความหลงตัวเองถึงเป็นเรื่องลุ่มยากขึ้นไม่น้อยหลงสิ่งอื่นนั้นค่อยนั้นชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่องจะทำภูมินามความดีเข้ามาโลภนับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่กิตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงกอดเหตุกอบผลอยู่ตลอดเวลาทั้ง ความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ให้ความบังคับบรรชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่งพานวุ่นวายทิพยสายแตกไปในแง่ต่างๆโดยห้าเย็ดหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสาคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระตุกกระเทือนได้ จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่ า, านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนนะท่านสอนให้ภาวนานำทําบุญใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยิดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑแต่ หาหลักเป็นมาได้กลายเป็นเรื่องความเหลีวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดท่ามีแต่ความเล้วไหลทั้งๆที่เสาะแสวงหาคิดละวุ่นขุนมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึ ง, จงสอนให้ยึดสาระทำเช่นให้สอนสอนให้ภาวนาพุทธโธหรืออัตติเจสาโสมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิต ที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันนักคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสงกวกรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสของความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่ บริกรรมหรือภาวนายอยู่ ด, ยด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบ พ, พอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหรือเป็นที่ยึดของจิตอันความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นใจขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบุธรรม เป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษของความพุ่งสร้างวุ่นวายของจิตที่หาหลักคิดมาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวนุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันมีเป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อน และพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแน่เจริญเล่าจนมีความพมิชฌนาน า, าก้ะทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความจานานในการภาวนาเพื่อความสงบกิ พอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความรู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมที่เล็กเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดที่เล็ทิ่เป็นไปตามกระแสะของจิตพุงสร้างปังแญ่ต่างๆจนกระทั่งคำนึงคำนวณไม่ได้นั้น เราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นขี่เลกอะไรไม่เป็นขี่เลกแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกี้เล็เพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แต่กี้เล็มันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากี้เล็กก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัด เรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบนในจุดเดียวกันทานน่นานจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรมัง่งที่นี่ ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตควมีความสงบเห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่องลอยของจิตก็พอมองเห็นได้ เพรจิตเคยสงบปล่อยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้วิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นท่อเหตุอะไรดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงทั้งมันเมื่อเราได้แยกแยะ ส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความประจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้ฮักมีความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสัมพันธ์ของจิตเป็นหมาอาัตตาหักในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษ แห่งความไปสําคัญมันหมายความยิ่งมั่นถือมั่นของจิตในในขณะนั้นด้วยหมวดพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปทีเสียงกลิ่นรดเครื่องสังขารทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นเพื่อลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัด ด้วยปัญญาที่พี่ชายอยู่โดยสมองเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นหนักแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุรดทีนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวขอ้องเพราะเหตุนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตา ม, ามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสําคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันเป็นเกิดอุปทานความมั่นถึงมั่น ความรักความทางขึ้นมาเป็นที่เลกเพิ่มึ้นไปอีกนี้ก็ทราบทั้งความเลวหลายของจิตจิตเมื่อทราบรรว่าตนเลหลายแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนจิตไปยึดมั่นถึงมันก็ปัญญาก็แทงทรุไปหมดแล้วไปยึดมันถึงมันหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่วิธีคีค่คลายกองปัญหาใหญ่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 ขณะหิดที่แยกออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยกออกไปจากที่ไห น, นพอสติปัญญาทันมันแยกออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบกรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามน้องรอยมันเข้าไป ให้ลูกเจ้าลานเลนของกิเลสมันออกมาจากไหนอืมตั้งแต่สัตว์ต่งตางๆมันยังมีพ่อมีแม่มและ้ะกิเลนนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสำคัญมันหมาอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยปรุงก็ปุงขึ้นที่จิตไม่ปุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลํำดับลำดับนี่คือค้นดูเรื่องของจิต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 ตัดสะพานหมดที่จะไปสื่อต่อกับผู้เขียนผู้ตีนครับรดเพิ่มสัมัสทั่วโลกหินแดงหายสงสัยไงหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ตรุงอยู่ยิบยับยิบยบอยู่ภายในิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโ ด, ดนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่ <c oughs> แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น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 เรื่องมันก็มีแต่ยุดยักได้าอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดสนะำนัจเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบปุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณนนะไม่ว่าทุกเอียบดและวิ้นกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่องตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่องรู้ทั้งขณะที่ดับไป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 อย่างไม่ลดลนะทอ้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไผยสิ่งที่ก่อให้ก่อกำหนดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเทียนในงมาตัดสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มี่เรเียกว่าคุยเขี่ยขุดคนลงไปด้วยปัญญาก็ไม่ท้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสาคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สารโลก เรื่องเกล็ดที่แทรกอยู่ภายนจิตอันอย่างลึกหลักนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกินลดเื่องทั้งผัดซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานมาแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตพระนั่นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนคน้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน สุดท้ายกิเลก็แตกกระจายอาอกจากกันทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมัง่งมาเกิดที่ไหนบ้างไม่สําคัญสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นแล้วบัดนี้ได้ทําลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสัมพันธ์อยายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทราบได้อย่างชัดเจนภายเนจิตที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่ตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ํๆซากๆมาอยู่ไม่พอจึไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลํำบากของตนในภพน้อยภพใหญ่น่าคือตัวนี้ทีนี้ประมวล ก็ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดีย ว, ยวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องการเรื่องความทุกข์ความลําบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี่ไม่มี่นรู้เดยอย่างชัดๆในเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมนัม้นก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดก็เด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีอันอะไรเหลืออยู่ภายกิจนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะ ก, กว้างแสนกว้างขนาดไหนกีจักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งปัญหาของเขาเรื่องสําคัญที่ทำคำกลางก็ทกเทียนจัดตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละ จนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายใ น, นตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแกภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภยัยเรินโลกงานโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อในโลกไหนอีกแล้ว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 ตัขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่สาวกอรหัตรหันก็เรยียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหานี่จะกวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จินเต็มที่ทั้หัวกัน อะไรๆเพไม่เถ่าเพราะไม่หนักเข้าหัวใจที่แบบกองทุกแบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความรุ่งความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายนี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำวาตรายพบกามะพบรูปะพบรูปะพบ้อหมดมันอยู่ที่ใจการมะพบก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปะพบ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 พระพุทธเจ้าท่านสื่สอนลงที่จิตถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจทันเป็นตัวการสำคัญสิ่งที่กรามาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ทำไมแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจำเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกถูกกองคืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้ามาแก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสาหรับมวลสาตร์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมมักจะขึ้นตรงนี้ ตายแล้วเปิดหรือตายแล้วศูนย์โลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมอันนี้ก็ถหาตอนนรกฝันมีไหมแล้วก็ที่เกียวจะตอบไม่ทราจะตอบกันไหนพราผู้แบบนรกฝันก็คือหัวใจก็คุณมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียไปเรงเวลาทําไมแก้ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก้เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุนั้นทางที่ชั่วเสียคว่าทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกผิดแล้วมันจะผิดตรง ไ, ไหนแล้วเพราะสอัสดิ์ธรรมสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดให้มีผิดไงธรรมะนิยานีิก็ทําก็นําผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอํานาจแห่งความรุ่งหลงด้วยสวัสดิาธรรนั้นดีแล้ว แก่ที่ตรงไหนท่าไม่แก่ที่จุตปัญหาอันเหญ่โตก็มีที่จุดนีเท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทำให้คนยาบทำให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ลเรียดเป็นเครื่องหนุนหลังทำให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน ละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมมติยุติลงด้วยความพ้นขุดให้มีเชื่อสืบต่ออีกต่อไปมันก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามนว่หละการแก้ความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่น ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแจ้ฮงนอนซะดีนะผมจะตายแล้วนะ่ะตายอยู่บนหมอนช่างว่าตื่นแล้วก็มายอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ำทํางานมันบังคับไม่ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันมันเพียรเข้าไปแก้ก็ลูกปุ๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะึนได้ ถ้ายอมมอบลาบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ทางเดียวหรือจะเรียกว่าแพหรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อย่างนั้นได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามันได้เราพจะว่าแพ้คนมีแพคนนั้นทำไมแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมลาบเอาอย่างเดียวจะว่าไงถ้าไม่ว่าบอยต่างเรือนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บอยนั่นแหละ จะเอาหนี้ไปแก้ที่เหล็กมันก็เป็นเสริมที่เหล็กใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไหว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้หัวยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเรา เ, เห็บก็ต้องทนถอดถ้าเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเสะไปหมด ทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนมาทั้งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ําออกแล้วมันก็หมดพิษชายยางไปมันก็หายเี่ยไม่มีทางกําเริบอีกต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ํายังจมอยู่ในนั้นเี่ยอันนี้ี่เลยก็คือหัวน้ําเราดีๆนี่เอง แล้วจะย่อมันอยู่ตลอดเวลามัเนเลยฝังจมนั่นแ่ะเหน่าเฟะ อ, อยู่ในวัตตะท้องฟ้านี่แต่ว่าไงถ้ารเราต้องการหรือ ว, ว่าเป็นคนเหน่าเฟะทำไมต้องการสู้ทึ้งทาไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะจนได้ถึงจะแพ้มาขีดขั้งก็าตามมีทางชนะในขั้งหนึ่งจนได้ พอชนะทั้งนี้ต่อไปก็คนะเรื่อยๆและชนะชนะชนะชนะชนะเรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรทถให้เราต่อสู้มันหมดประตูผู้เรชนะคนะอะไรชนะความที่เลียบด้วยความขยันขอกับคนจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตาย มีแก้ที่ลงใจมีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่สุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตรงนี้แก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สําคัญนั้นหมายไปตั้งกับต่างกันก็แบกปัญหาปลาเกิดภลาตาปาทุกปลาลบากงนั้นแหละมาทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้มีข้อเสวยกันอยู่ทุกคนเฮ้อคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์แน่คำว่าบุญก็คือความสุข ว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในการทุกคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อว่าบาเอชื่อบุญนะชื่อหามสุขนั่นแหละถ้านนัน่นชื่อว่าบุญความทุกข์นั่นแหละที่นันชื่อว่าบาผลของบาผลของความชั่วนั่นก็มีอยู่ด้วยกันเราจะไปหาที่นั้นอีกลกะโลกหรือไหมสรกปกระทำเถอะถ้ามันทุกข์เราอยู่เป็นหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่อยางนี้จะไป ถามถึงนึ่นรกมาเรื่ที่ไหนอีกมันเผาที่ที่ไหนมันก็นร้อนเช่นอย่า ง, งไฟขี้เราเนี่ยที่เขาคงไหนก็กี้เขาีิมันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่านรกหรืไม่นรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกขานี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟกี้ก็ยังรู้แล้วเราจะไปหานรกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความทุกข์ก็รู้อยู่กับตัวแต่หาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอติน่ะเจอความทุกข ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมแต่พราะยังยิ่งความสุขทางใจนับแต่ความสงบเย็นใจขึ้นไปเดิมนักจนกระั่งตั้งหลักตั้งฐานทองจิตได้แน่หนามันคงภาระจิตใจแน่ใจให้ตัวเองอยิ่งกว่านั้นเอาให้หลุดพ้นไปแต่ไปถามหาที่ไหนสวัสดิภานไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆครองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่อมที่ไหนเหงา ได้ตัวแล้วก่อยู่กับตัวให้มีเท่านั้นพระมโนพระเจ้าไม่จะหลอกคนให้ดูนั่นทำนี้เอาตัวปิ้ที่ตรงนี้ภารกิจเป็นทาเห็นไมสมคือ